นักโมตตจโทโตอาห์โตสัมมาสัมพุทธเจ้านัโมตตจโทโตอาห์โตสัมมาสัมพุทธนโมตโตอหโตสัมมาสัมพุทธนิพพานังปะระม ทุกท่านที่ที่มาสัมมาพุยาสัตว์ทศัท์ยาสัีตัรมโขอให้ทุกท่านทุกคนพยายามทำสมาธิสมาจารย์สอนสมาธิให้ เอามือขวาหายทับ hmm. ม eh ือเบื้องใต้วางไว้บนจับมือขวาหายทับมือเบื้ายใตวางไว้บนจับคอยกำหนดเอามือขวาหายทับมือเ้องใต้วางไว้บนจับ จะลืมตาหรือหลับตาก็แล้วแต่ขณะขอให้ฟังตั้งใจฟังอาตมาคือพระครูสิทธิอภารพรหรือด็อกเตอร์สาธิโตโอภาโสโจะได้แสดงคำเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ญาติโยมบุตรบริษัทท์หลากหลายได้ฟังติดไป อันหลักแรกนี้ให้ตั้งสติไว้ที่ลมหายใจลมหายใจอยู่ที่ไหนสติอยู่ที่หน้าเหนื่อยสติอยู่ที่ไหนลมอยู่ที่นั่ น, น, นให้คอยดูลนคอยสังเกตลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกให้คอยรู้ให้มีความสังเกต สังเกตว่าลมมันเข้าสังเกตว่าลมมันออกไม่ก็พยายามทับว่าอยากคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยากคิดอะไรให้มันคิดไปเราอยากสนใจตามความคิดเหล่านั้นให้คอยรู้อยู่ตลอดเวลาเวลาลมเข้าเรากอรู้ว่าลมเข้าไปในโพรงจมูกของเราแล้ว เวลาลมออกก็ให้รู้ว่าลมออกออทางโพงปลายจมูกของเราหรือโพงจมูกของเราเพราะฉะนั้นให้คอยสมมติการนี้แหละไปเรื่อยๆ เ, เรียกว่าอานาปานั้นสิที่สมมติรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกหลงกอดดีดียังก็ดีหลงบูธ เพื่อสรงสีก็ดีท่านเนอสอนอาตมาให้นั่งสมาธิให้สุขัสกรรมฐานตั้งแต่อาตมาอายุได้24ปีจนมาถึงปัจจุบันนี้อายุ64ปีแล้วได้ปฏิบัตทิทมบำเพ็ญคุณามความดีกับครูอาจารย์สำคัญเหล่านั้น ด้วยความตั้งใจเยอะสลาดทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตยอมเส็จยอมตายเพื่อที่จะให้ได้เกิดธรรมะคาสอนอันเดิเลิศเกิดขึ้นในใจของเราทำใังใจของเราถึงจะบริสุทธิ์ของใสครูบาอาจารย์ก็บอกไว้แม้แต่การเหตุการแสดงธรรมตรงนั้นต่งอาตมาได้รับ ท่านพาโนมามนจากพระองค์เทศให้แสดงธรรมให้ญาติโยมให้พระเ น, นฟังเออวะอย่นนี้ให้ท่านมหาเทพปวดญาติปวดโยมนะปวดพระปวดเนรนะท่านว่าอัตมากรรับสาทูพันเทศทีนี้เวลาจะเทศมันคิดไม่ออกเลยไมันวนวยหมด อันนั้นก็เข้ามานี่ก็เข้ามาเทธรรมะบรรลุจาระเข้ามาพร้อมกันคือเราก็ในโนจเตสไหนก่อนนั้นไหนหลังอืมกลับไหาเราคุยอีกทีนึงก่อนพอเดินยออ้แล้วมันก็ไม่ลงแไปหาหลวงปู่ลบหลวงปู่ครับกระผมเจ้เทศยังไงกระผมี่เทธรรมะหลังไรก็มามสาส า, สานั่นนีอันนั้นนีเต็มไปหมดเลย ท่านบอว่าล้วนไหนป้อเทศอันนั้นสว่างว่างเลยกี่นอสว่าโอ้ล้วนไหนเราต้องเิศอันอันที่เราไม่รู้เราจะไปเที่ได้ยังไงเราจะไปเที่ได้ยังับที่เราไม่รู้เราข้อรัเทศอันที่เรารู้เรารู้เรื่องไหนเราไปเที่ยวเรื่องนั้นไม่ต้องถามหลวงปู่สอนเดียวบคุณเองเลยกล่าวก็จะตอบคุณเองเลยทุกคนอรู้เล้วยส่งกันฟินมาก็ ประมาณคนนึ่งเลเริ่มมาที่แสดงคำที่ฟังคำเนีประเทศได้อย่างสบายเลยเล้เออออันนี้นี้ก็เหมือนกันที่มาวันนี้ประเทศสิงคิโร่ให้ฟังสิงคิโร่คืออะไรคือสมาธิสิงคิโร่คืออะไรคือมา สิ่งที่โลภคืออะไรคือผลสิ่ที่โลภคืออะไรคือ น, นิพพานรู้สามาธิมั่นผลนิพพานก็ต้องเทศเรื่องสมาธิมั่นผลนิพพานเราทำยังไงเราถึงจะเข้าถึงมั่นผลนิพพานเริ่มต้นที่เราต้องหักจิตของเราก่อนจิตของเราไม่สงบจิตของเราไม่ตั้งเสี้ยงตมัน จะให้เกิดมากเกิดผลได้อย่างไรเกิดไม่ได้เกิดมากเกิดคนไม่ได้เราต้องพักจิตของเราให้เป็นหนึ่งเสียก่อนเมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วไม่มีปัญหาในการที่จะบรรลุมรรคผลทับิเสตในพระพุทธศาสนานี้ขอให้เรามีสมาธิเสียก่อนต้องฝึกสมาธิให้ได้เสียก่อน สมาธิของคนที่มีอยู่ปัจจุบันนี้เป็นสมาธิธรรมดาเรียกว่าคณิกาสมาธิสงบนิดๆหน่อยๆไปอยู่ไปแต่ถ้าสงบสูงขึ้นก็เป็นอุปจารสมาธิสงบสูงขึ้นเมืออ่อกินสงบสูงขึ้นมันก็มีภาพมีนิมิตอะไรต่างๆเราอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจกับภาพเหล่านี้นิดเช่ดเราโลกขหวดลกหายใจเข้าหายออก อีกพอแลวก็ตั้งเที่ยงตั้งมันแนวแน่ลงไปเออแนแน่ลงไปนะให้คอยรู้คอยรู้ว่าลมเข้าลงออกเราเห็นชักขึ้นมาถึงไม่พอไม่ได้บังคับแล้วก็สงบอันนี้ก็ให้คอยู้วยให้คอยสั้งเก็บดูตัวเองดูโลภหมายใจของเราเองเวลาลงเข้าก็ตามเวลาลงออกก็ตามให้คอยรู้อยู่ที่เดียวนั่นแหละ อย่าไปรู้ที่อื่นอย่าไปรู้เรื่องนั้นอย่าไปรู้เรื่องนี้หรือมันจะคิดไปสงสัยไปตามเรื่องตามราวต่างๆเราก็อย่าเพิ่งไปสนใจให้สนใจแต่ลมหายใจเข้าหา ย, อ, ยาออกเท่านั้นส่วนก๊อบคิดความอ่านนั่นนี่ก็ให้มันเป็นไปตามเรื่องนั้นเ่านั้นละ่ะมันจะไปคิดอะไรก็มันไปแต่เราไม่ไปกับมัน ให้ปล่อยดูลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวว่าเราจะดงลมเราจะไม่คิดพุ้งสร้างส่วนความพุงสร้างก็ไปตามเรื่องของเธอซะแต่ฉันจะอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกก็ปล่อยตั้งสติดูลมหายใจเข้าหายใจออกไม่พ้อไม่ถอยถามไปจะเกิดพลาดนิดนึงนั้นอันนี้ขึ้นมาเราเขายังไม่ต้องสนใจเพราะเป็นของอย่างไม่แน่นอน พอเรามาธิมันยังไม่เส็จที่เราฝึกไปฝึกไปฝึกไปฝึกไปหัดไปเรื่อยๆหัดไปเรื่อยๆยืนอู่ก็ให้รู้อารมณ์หายใจเข้าออกนั่งอยู่ก็ให้รู้่ารมณ์หายใจเข้าออกนอนอยู่ถ้ายังไม่หลับก็ให้เห็นลมหายใจเข้าหายใจกอกจหลับไปอย่างนี้แหละยืนเดินนั่งนอนทารักนาทีตา่ตาง ถ้าพอหมดลมหายใจได้ให้กำหนดลมหายใจละสีอย่าไปพักอย่าไปคิดพู่งสร้างนั่นดีหรือตามเรื่องตามราเราไม่ต้องสนใจเพราะอันนั้นไม่ใช่สมาธิไม่ใช่มรรคไม่ใช่ผลไม่ใช th ่ความสุขที่แท้จินเราคอยดูแต่ลมหายใจของเราเท่านั้นนอนดูก็ดูลมหายใจได้นั่งอยู่ก็ดูลมหายใจได้ยืนอยู่ก็ดูลมหายใจได้ นอนอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นั่งอยู่เราสามารถเห็นโลกหายใจได้ตลอดทุกวิ น, นาทีเล ย, เ ย, เลย อ, อันนี้คือการหัดอีกเราจะไม่สงบนี่มันจะอยากเป็นพระอรหันต์นั่นก็เป็นไม่ได้อยากสำเร็จภูมนั้นภูมินี้หรือว่ามีรู้วันจิตคนกำหนดเห็นใจคนอื่นรร่นี้หรือในภูทิพย์ตาิ อะไรเราเนี่ยอย่าเพิเ่งไปคิดอย่าเพิ่งเอาตำราเข้าไปวางใส่ในตามปฏิบัติวางตำราทั้งหมดเลยหลวงปู่เทศบอกอาตมาว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยอยือตำราเข้าไปด้วยอตวาตมาเขากรแต่งมันสือเลยพอปฏิบัติธรรมกระแต่มันผือไปหาท่านว่าภาวนามีแต่เขียนพอท่านภาวนาเสร็จเาสะดุ้งใจวุ้เลยโอ้เราแต่งหนังสือไม่บ ครั้งเดียวนัมารมาชเียติยงเลยไม่ต เ, เลย น, นี้ลนองปูท่านเตือนสติให้ไม่ให้แตกมั้งหถ้าเวลาเราเทศเราเราปฏิบททัติดูดิเราไปแตกมันก็มีตัความคล้นซ่าเนี่ยมันไม่สงบหรอกหรือเอาหนังสเข้าไปบมันตรงกับอนัตมัยมันตรงกับมรรคข้อ น, นัตมัยตรงกับผล้อนี้ไหมนี่อันนี้คือความหลงทางของปูปฏิบัติ มันจะไปรู้ได้ยังไงเพราะกีจะไม่ถือว่าฝนจะไปรู้ว่าฝนเป็นยังไงอ่านี่พอจะฉต้องให้หาอย่าเอาสําราเข้าไปอ่านในใจว่ามันตรงกับบทนั้นบทนี้หรือเปล่ามันได้ยานที่เท่าไหร่แล้วยันหกยันสิบสองยันสิบหกอะไรหรื อ, อย่างมันได้รูปดับนามดับหรื อ, อยังอะไรนี่ไม่ต้องไปคิดพวกนี้เลยให้คิดแต่ว่าเราสังเกตุลมหายใจของเราได้ไหม นี่แหละให้สังเกตเท่านี้ไม่มีมากดูลมหายใจเข้าออกทุกเวลาจิตปอดจะสงบเป็นสมาธิรรเองเนี่ยเราไมจะไปแต่งให้เป็นอะไอุปจ้าอัปปนาอะไรต่างเราก็จะไปแต่ ง, ง, ง, ง, แ, ตงแล้วทำอยู่แค่นี้เลยนแล้วก็คอยดก็ดูมกรวางเรื่นันวางนี้วางหมดทุกสิ่งทุกอย่างเดีวจะรู้เข้าไปเลยอัปปนาสมาธิรรเ พอเอยายาสมาธิแล้วจิพลังจิตพวกเราจะเข้มแข็งมากพลังจิตพวกเราเข้มแข็งจริงจริงต่อสู่กับอะไรก็ได้บางทีนึกซึ้งเอ้เร า, า, มมาทำบัตรปีกแทนนี่น่าจะถ้ารู้เออความคิดแต่มันไม่ถรู้หรอกเราเก็บตรงนี้นั่นเลาว่แต่ใจวกเราเข้มแข็ ง, ขงกว่านั้นจริงจมันไม่หวั่นไหวเลยถ้ากินเข้าถึงสมาธิเต็มที่เล้ว แต่ว่าให้สมาธิอัพนารีนาอะไรไม่ได้หรอกต้องออกมาอุปจารสมาธิก่อนเดินจักริจะะารณาตัวคนคนเราว่าเกืออ่อจงไงแก่ยจงไงเกิดจะไงไตายให้คอยฝึกอีกเล็กก่อนแต่ฝึกหลวงทีเดียวอะเอาให้มันได้ประรลุธาตุกันนี้อย่าิึกว่าัตนั้น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 มันบอกแล้วว่าก็ทบทองไหนโพรงจมูกขอเราเี่ยะทบองไหนให้ตั้งเตือนไว้ทีเดียวน่นแนเห็นลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดลมเข้ายาวก็ให้รู้ลมออกยาวก็ให้รู้ลมเข้าสั้นก็ให้รู้ลมออกสั้นก็ให้รู้ให้คอยรู้อยู่นั้นตลอดไป ทำไปบางทีลมมันใหญขึ้นเลยนะเหมือนตัวเราเป็นรูปโงเลยอัน น, นก็อยา่าไปตกใจว่าเราจะเป็นอนตรายอยู่ดนนั้นนี่เราเฉยๆไว้คอยดูนั่นจ้ะลมมันไปตามตัวตามทุกทุกให้เห็นให้เราเห็นแต่เราไม่ต้องตกใจอันนี้คือบอกทางทางหลวงวางคนไว้ให้คนชอบหลงตรงนี้ บอลมันตัวใหญ่ขึ้นเหมือนกว่าเออมันอะไรเกิดอะไรขึก็หยุดมันเลยไปมันเลยไม่ได้สมาธิชั้นดีเราอย่าไปสนใจว่ามันจะเป็นยังไงให้มันเป็ีนไปเลยคอยดูหายใจเข้าหายใจออกคอยดูมันันจะค่อยสงบลงสงบลงอีกมันกยาลงไปก็เยอแต่เยอะจะกินแต่เดียวกีนเราเยอะกินอันเดียว มันมีแต่มันเรียกว่าระ ง, งับลงระ ง, งับลงระมาณนั้ก็คือหายใจเบาๆเปนเบาลงเบา ล, าลงเบาลงหายใจความเบาลงเบาลงแล้วก็เราปอยตั้งสมิแนบไปกับการที่มันสงบลงไปเขาบอกว่ามั น, นคจิตเราก็เป็นสมาธิเต็มทีเ่เมื่อจิตเราเป็นสมาธิดีแล้วจะทงไงต่อ ว่เอาความรู้สึกที่สงบนั่นแหละมาพิจรารณาร่างกายกายที่เร า, เราได้มีพ่อแม่ก็เราให้มาใจมายึดถือเอาว่านี่ของเรานี่ตัวตนของเราเรายึดืออยู่เราคิดว่าไม่แก่ไม่ตายนี่ ตรงมัถคือคนที่ในคันมารดาและก้าเดินเพือนๆ เ, เลยคอบจากคันมารดามาเรารู้ความแล้วอายุ1ิปี20ปี30ปีสี่สิบห้ี่สิบบปดอายุของคนในปัจจุบันนี้100เป็นเรามาแต่ว่าคนเยอะมากไม่ถึง100ก็บอกอายุไปก่อนนนี่นแสดงว่าเราไม่ใช่ว่าจะอยู่อย่างนี้ตลอดไป ถึงเวลาตายมันก็ตายไม่ใช่มันไม่ตายมันตายเป็นตายเนี่ยเราลองดูสิพระพุพทธเจ้าผู้สัมมาสัมพุทธะนะยังเป็นยังเสดจดับขันธวรรษนี้ผานยังตายพระพุทธเจ้าของเราเขาโตมาอายุแปดสปี ก่อปฏิปิพาณพระสาวอรหันเจทั้งหลายทั้งนั้นก่อนนิพพานเหมือนกันรมคตละหารีบุตรพระมหาคดสปะพระมหัจเจียนะพระสงฆ์ในอดีตพระอรหันต์ในร่งรับดับขันไปพระอรหันต์ในปัจจุบันรวงรับดับขันไป ค่อยทยอไยไปทยอไยไปรูดใหม่ก็แฉมขึ้นมาอ่าขึ้นมาแทนที่เหมือนหน่อไม้หน่อไม้มีอกณ์กอและทีครั้งแรกเราปลูกเราเอานีห น, อน่เอเดียวไปปลูกต่อมาเราเป็ี่ยนลำต้นขึ้นมาตอแฉขนแหนงขึ้นมาเรื่อยแฉ ก, แกอแฉกอยหญ่เลยอันนี้มันกันผู้ปฏิบัติทำแล้วได้สังเกตมากผล ก็โผเอาพระเอาเนรโผลให้รูอ่าให้พระให้เนรรูว่านี่คือทางแห่งมรรคนลที่ผ่านพระเนรก็ปฏิบัติตามค่อยเป็นค่อยไปเอาปีเป็นเดือนเอ่อเอาปีเป็นเดือนคอยปฏิบัติไปเรื่อยในที่สุดกระลุกแก้งขึ้นมาว่าโอ้การเกิดมันเป็นภูมิ ถ้ามีเกิอดอยู่มันก็ต้องทุกข์อยู่ทุกข์ในการทำมาหากินทุกข์ในหน้าที่การงานทุกข์ในเรื่องครอบครัวผัวเมียมีปัญหาอนังมีปัญหานี้ทุกข์บาคนแก้ไม่ได้ก็ตัดทิ้ง ใ, ใจฆ่าตัวตายไปก็มีแต่ว่านึกว่ามันจะหมดมันไม่หมดนั่นเราทำโทษแต่เจ้าของนั้นเราก็เป็นหลักตารลไปและ เพราะฉนั้นอย่าไปใส่ใจเรื่องที่ไม่ทากองสงบให้เราเราจะไปใส่ใจเราให้ใส่ใจว่าเราจะพิจารณาตายนี้ลังจากสิ่เราสงบแล้วเราจะพิจารณาพิจารณาดูว่าของเราเราาากิดมายังไงแกมายังไงเกิดมาย่างไตายมาย่งไร ให้ทั้งเกดเข้ามาที่ตัวเราเพื่อเรามีความแก่ความเกบความตายมันไม่ใช่จะเชื่อว่าเกิดแล้วต้องมีแก่มีเกดมีตายมั่งมีแก่มีเก็บมีตายมั่งเกิดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนสมัยก่อนก็ตายสมัยปัจจุบันก็ตายเพราะฉะนั้นก่งที่จะถึงจุดสำคัญนั้นเราต้องอยียงให้พร้อม ต้องเตรียมพร้อมเตรียมชำระจินข้าเราให้บริสุทธิ์ให้เป็นวิสุทธิเทศให้เป็นพระอรหันต์เตรียมจินขอาเรานี่ะให้เป็นพระอรหันต์ถึงไม่บอกประทื่นเราก็รู้ว่าเราเป็นพระอรหันต์หรือมนี่ให้เตรียมเตรียมดูตัวเองว่าเป็นอรหันต์หรือยังเป็นอรกาลิโกหรือยังเป็นสันติสีโกหรือยังเป็นโอบรัิโกหรือยังนี่ เรานาะก็มาที่สัวเราโ อ, โอ้คนอื่นก็ไปอย่างนั้นเราเองก็ไปอย่างนั้นเหมือนกันนี่ไอ้พิจารณาไปตรงนี้ให้พิจารณาลงไปทความเกลดความแก่ความเจ็บความต า, ายนี้เราก็จะเห็นคำคเกณฑ์ลงไปว่าโอ้ให้คนเข้ายึดถือทุกเป็นของคนกำหนดรู้แต่มรรคยเป็นของที่ต้องรันี้โรคคือความหนักทุกเราก็ รว่าอเราดับถ oh, wow, ึงรดับไหนเราเป็นชัวัรแล้วเรามีการสวดอย่างแท้จริเจ็บชารู้ให้ลเอียดลงไปรู้ให้ละเอียดลงไปจนถึงว่าไม่กลับมาเกิดเลยละในมดวางในมดทุกสิ่งทุกอย่างละความเกลดละความเกดละความเกลียดลดละความตายละความตกเศร้าเสียใจ ละไปทุกอย่างกินแล้นีละพอเราปฏิบัติไปละไปละไปละไปหาสุขก็สว่างสวัยกินใจของเราสว่างสวยกุงืองขึ้นมาเลยถายถอนความทุกข์ในวาสโสารได้เลยไม่กัมาเกิเลยเราทยังไงที่จะไม่กัา ก็ทำกินให้ผมบริสุทธิ์เพราะพระเจ้าสอนราแต่ว่าปาปัจจกรารนางังไม่ทำ บ, บาปทั้งพวงไม่ทำชั้วนันอุศน า, า, าสู้กับเจาเมาทำุศนให้ถึงพร้อมว่าเป็นพรหมีเอาไว้ทารสิ่นภาวนาพุทีิบะทำทำทำให้มันเต็มที่เพราะเรามีเวลาในะโลกนี้น้อยมากแล้วก็ทำให้เต็มที่แต่ิตกรรโยธานั ทำละกิจเพราะตนให้บริสุทธิ์องใสนี่นี่เือหลักฟ้องศาสนาที่ตรงนี้เราต้องรู้เข้าไปตรงนี้กว่าละทั่วทําดีทําจิตให้ผอกใสจิตเราตอนนี้ผองไสจากโลภหรือยังผองใสจากคขมขมหรือยังพองไสจากขมหลงหรือยั ง, ง, ยงถ้ายังไม่ผองไสต้องทําให้ละเอียดเข้าไปนั่งสมาธิก็ให้นานขึ้นเดินโรงก็ให้นานขึ้น จะพักผอนรับนอนอย่าไปนอนเฉยๆต้องคอยรขาบอลมหายใจจนนอนหลับไปถ้ามันไม่หลับคนภาวนาอย่างนั้นแหละนึกถึงลมหายใจเขาบอกอย่างนั้นเลนี่มันก็บริสุทธิ์เต็มตัวจิมันวางขันมันวางตาวางตาให้ลูกก็วางหูฟังเสียงก็วางจมูกลมฉี่ก็วางลิ้มยิ้มรดก็วางใจไปโผลสภาพก็วางเออ ผูกต้องคนรสะพ้ก็วางใจเป็นผู้รู้ผู้เห็นนี่ก็วางเหมือนกันไม่ยึดมั่นหือมั่นเกลือก็ไม่ทุกขกก็ไม่ทุกตายก็ไม่ทุกข์หมดกันเลยไม่มีอะไรจะไปยู่ในวมใจของเราได้ความรักให้มันก็ไม่มีความโกรธมันก็ไม่มีความโรกมันก็ไม่มี ความลงมันก็ไม่มีคอยาไ ด, ได้นั่นได้นี่อันโนนอันนี้มันก็ไมมีมันฟ้าหมดแ้อยู่ยังไงก็อยู่ได้เนก็สบายเดินก็สบา ย, น, บายนั่งก็สบายนอนก็สบายเพราะอะไรเพราะมันสบายแล้วคทผิดสบายได้ดทิศขณะนี้ทุที่อบมันต้องสำเร็จเป็นพระอาราม นิพพานังปรมามังสุขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ยงให้พูดถึงวันนิพพานใจเราไปพูดถึงวันนิพพานกายไม่ถึงวันนิพพานกายนี้ไม่ถึงวันนิพพานฟิ้รรต่ปอดราแคน่นี้ฟิ้งแต่เมรสั่รดินี่เด น, นะ น, นี่เร้าโสดนะฟิ้รรต่เร้ารสดเท่านั้แต่ใจของเราบริสุทหรือไม่บรรสุเราจะรู้ของเราเหรอใจเราบรรุ ไม่มีโกงไม่มีโกไม่มีหอกกระทบกระทั่งอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางนิ้วทางกายทางใจก็มไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์เหล่านั้นหรือที่เรียนทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถเข้ามาทําทใจของเราให้กบงงหรือกลบกฏการเลยเราถึงตอบริสุทธิ์ขุดคลองในใจแล้วอะไรว่าตรงใจ มันก็ไม่ค้างอยู่มือนเราเขีตั้งไว้เอาเมลา็ดงาบะโลงไปมล็ดงาจะไมค้างอยู่ไปเขีนมล็ดงาจะไม่ค้างอยู่ไปมันจะหลุดลงไปข้างล่ามเอาใส่เทไหร่ก็ไหลลงไปข้างล่างหมดมันไม่ติดอยู่กับไปเขียนเลยจิตของเราก็เหมือนการฆ่าทำให้บริสุทธิ์บริสุทธิ์บริบูรณีแล้วถึงมาถึงผลนีแล้วน่ยโอ้โห มันไม่จิบเลยอารมณ์อะไรก็ตามเรื่องอะไรก็ตามไม่จ่บใจเลยใจนี่พรอมใส่บริสุทธิ์ยิมได้ตลอดเวลาเลยไม่โุกข์ไม่โศกไม่มีโรคไม่มีภัยไม่มีอะไรที่จะมาทำให้ใจเราทุกข์ได้แต่ก่อนเรามีทุกข์ในใจมีทุกข์ใจยังเป็นของค้อนหนอยู่มีทุกข์หลังอย่างหลายเรื่องแตเรายังไม่สนใจ ทุกเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องว่านเรื่องเรื่อนเรื่องความเป็นอยู่เรื่องนั้นเรื่องนี้เจ็บหูเจ็บตาเจ็บลังเจ็บเอวอุ้ยสารภาพทุกสารภาพทุกสารภาพแนวประมาณนี้นะอ้ยุ่งไปหมดเลยไม่รู้ว่าทใจจะทุกตายกันแน่แต่พ่อพ่อที่เข้าไปเข้าไปอินฟอร์มิสต์บอลเจอจากที่เด็กเรื่องเต้านมทั้งหลายแล้วทุกอย่าง ทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถไปพมกผาอยู่ในใจใจไม่มีทุกข์เลยใจหายแล้วจากโลกทั้งพวงโลกโลกของใจคือความโกรความโลภ ค, ความหลงอวิชาตัญหาอุปาทานพวกนี้เดเรานีททบใจให้เป็นทุกข์แต่ว่าเราท้ามพ้นโอคคสงสารไปได้แล้วขึ้นสัมแล้วไม่ติดใน พวกเหล่านี้เลยใจไม่มีพวกเหล่านี้เลยไม่มีทุกข์ความความเความแก่ความเจ็บความตายความโทรความเที่ยอกเทียใจความที่ไรลำพันความเป็นห่วงเปใอะไรต่างๆใจเราวางหมดไม่มีกิเลสไหนจะมาทาใจของเราให้เศร้าโงขุมัวได้ยใจเราไม่มีโรคเลยไม่มีทุกข์เลยแต่ายนีที่ทุกข์อยู่เก็้นวี่ารู้อยู่มาเก็บปวดเองว่าปวดเราวเรา บางทีเด็กหมอรักษาได้บางทีคือหมอหมอจะรักษาไม่ได้ยาดีไนไหนก็รักษาไม่ได้ตายเลยนี่นี่แหละตายนี่แหลแตกสลายไปเลยแตกใจแตกสลายไม่แตกสลายไม่ยึดถือพ่อปู่ใดอย่าง น, นั้นเหมือนไฟดับไปแล้วเชื่อหมดแล้วเชื่อหมดว่างเปาหมดเลย ความเบาหมดจากเหตทั้งปวงนี่แหละถึงความสุขความสงบความเย็นอกเย็นใจความสว่างแตไหวภายในเกื่อนคนสมองกินไม่มีโทษอีกเลยหลังตั้งแต่วันที่ได้รู้หรือวันรุ้มาผลเป็นพระอารหันต์ใจไม่มีโทษอีกเลยแต่กายมีโทษอยู่อาจจะเก็บโรกนั่นโลกนี้แต่ใจไม่มีโรคเลย ราคะก็ไม่มีในใจดวงนั้นโภสาก็ไม่มีในใจดวงนั้นโมหะก็ไม่มีใน ใ, นใจโวงนั้นอวิชชาก็ไม่มีในในในใมมคือความไม่รู้ในแกื่สัจจีภณีเลยอา ร, ริยสัจีคือตัวเรานี่แหละไม่มีเลยไม่รู้ความจริงเหล่านี้ไม่ทั้งสมมติบัญญัติอะไรต่างๆรู้หมดเลยกวางได้หมดนี่เราเข้าถึงความสุขแท้จิงนิพพานฝรังสุขังพราะนิพพานเป็นสุขอย่างนี้ ไม่ต้องพูดกันหรออันนั้นเป็นนิพพานนี่เป็นนิพพานถ้าภาวนาแล้วจิตของเราเป็นสุกนั่นละมันเข้าไปในนิพพานถึงนิพพานเนี่ยถ้าภาวนาแล้วมันไม่เป็นสุกมันก็ยังไม่ถึงนิพพานนิพพานเป็นสุกแต่สุกที่เราเรียรับจากการมีทรัพย์มียศมีหน้าที่การงานอันนี้ก็ถือเป็นสุกอยู่ในการเรียนการศึกษาประสงความสำเร็จอันนี้ก็สุกอยู่แต่ว่าความสุก ในครอบขรัวโภเหี่ยก็ธรรมดาก็ไม่มากมายอะไรเป็นของนิดๆหน่อยๆครันนบแคะความสุขในฌานความสุขในสมาธิความสุขในมรรคผลความสุขในพระนิพพานความสุขนี้เหลือที่จะประมาณไม่อะไความสุขภายในพระนิพพานเป็นความสุขอันยอดยิ่ง ไม่มีจิตไหนจะมาเทีบ ย, บ, ยบได้กับความสุขในพระนิพานเลยไม่ว่าโลกนี้เขาว่าอันนั้นเป็นสุขอันนี้เป็นสุขตรงนั้นเป็นสุขตรงนี้นเป็นสุ ข, สขมันก็ไม่ถึงพระนิพพานครับแต่พวกถึงพาะนิพพานแล้วใจเห็นชัดด้วยใจของเขงว่าโอ้เราถึงความสุขเป็นปฏิเสธเลื่อเล ย, ยอย่างนี้เลยเราสบาอย่างนี้เหลยเราเป็นสุขขนาดนี้เลย โลกนมีใครบ้างนะเป็นสูตรอย่างเราธรรมะของพุทธเจ้าเนี่เราเป็นเราเป็นพยานได้แล้วธรรมะเป็นของจริงเป็นอาการโกเป็นทัศธรรมทำตามแล้วได้เป็นมลนักผลตามเป็นจริงจรงจริงดีจริงจริงเป็นของแท้เป็นของสดเป็นของเลื่อเลื่อจริงจริงนั่นแหละถ้าจะว่าให้ปฏิบัติธรรม เริ่มต้นทนอเริ่มต้นคือค่ะดูลมหายใจเข้า อ, ออกมหายใจเข้าก็ให้รู้ลมหายใจออกก็ใหรู้คอยรู้ลมนั่นต่อไปคิดเราาก็สมาธเป็นรรป น, นิสมาธิสงบนิดนอ ย, นมรรมอ ย, อยหนุนไปเจอล้สมาธิสแล้วแต่ใจอยู่ภายในเออแล้วก็ต่อไปก็ เราบังคับได้ปกครองได้เข้าที่ได้คอยกำหดนดลมยืดให้เธอมันเข้าไปถึงเข้าไ ป, าปนานาถึงอัปปนาสมาธิพอเข้าถึงอัปปนาสมาธิแล้วจิตมีกำลัเป็นผู้ใหญ่สามารถในทำงานอออกมาัทำงานที่หนาล่างกายนี่เลยกายนี่เกิดขึ้นได้กายนี่ตายไปได้ยุติายวไปอยู่ไหนตายแล้วไปไปอะไรตายแล้วต ล, วไไตลวตงลตายแล้วไปสวรรค์บบ ตายแล้วไวันนี้ฟังโอ้ก็รู้ชัดขึ้นมามันก็วางมันก็รู้สึกทุกอย่างตาเห็นรูปของตัววาหูฟังเสียงตัววางเจริบเห็นตัววาลิ้นดิ้รนกัว่าตาถูกต้องสัมผัสกับตัววางินคิดมันนี่มันก็วางนวดมันไม่คิดมันไม่คมันไม่รู้สึกมันไม่หั่นไไปตามอารมณ์ต่างๆเลยในที่สุดเราเขาก็บริสุทอมใสเต็มที่ ถึงขึ้นมั่คนนี้ผ่านในวันชาตนี้แน่นอนขอให้ปฏิบัติตามคำของพระทีเจ้าดีหวังว่าไม่ผิดพลาดแน่นอนสามารถดำเนินตาอเพื่อนี้จะปลอบทุกข์ได้ไม่มาเรียนว่าตายือในวัฏสงสารนี้ได้เลยเมื่อถึงวันนี้ผ่านแล้วเงั้นไปที่หลับแล้วเชื่อหมดแล้วก็ไม่ไม่รู้จัก พูดอะไรเดี่ยวก็เมันก็ถึงสุขปัญแจกินสุปสูสุดซึ่งเรียกว่านิพานังบาลามวสุขะถึงพระนิพานเป็นสุอย่างนี้สุขเลยเลิกเหนทีท่าขอให้ยอดรวมทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติตลอดไปอย่าถอยอย่าลดกำลังใจสู้ไม่ถอยสู้ไม่ถอดสู้ไม่ถอดก็ต้องได้ อย่าให้เสียเวลามาเกิดแล้วไปมือเปล่าไม่ได้อะไรเลยต้องให้มันไดเเนวว้เราเห็นแล้วพระศาสนาเราเห็นแล้วพระธรรมคำสอนของพระเจ้าเราเห็นแล้วครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สำเร็จเป็นมาเป็นผลมีผมมีขนมีหนังมีกระดูกเป็นพระธาตุมากมายแล้วเราก็ให้นับว่าเราก็เป็นหนึ่งคนนั้ น, นอย่างนี้เลยขอให้ท่านได้ปฏิบัติกัน ทุกตันทุกคนทำให้เขาจยังไงไปเรียนต่อที่วัดป่าดอนไห่ศพตำบลดอนไห่ศพอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมีคดปฏิบัติธรรมทุกเดือนเดือนละเจ็วันเดือนละเจ็วันคดมีเต็มแ้วคดมีสารเต็มแ้วสารลานนั่งเต็มหมดเลย อืที่ที่ก็เต็มหมดบุตรีที่ไอ้พักคนละห้องละห้องก็เต็มหมดจนเลยสร้างสถีดาวเทียมเพิ่มสร้างสีบหลังก็ยังไม่พออยู่ที่ก็เอาเท่าที่กำลังพอจะรับได้อย่าโยกผู้สนใจปฏิบัติธรรมจะไปวัดป่าตอนไหโตกขึ้นรถบัสขึ้นรถช้านพลวก็ได้ไปเครื่องบินก็ได้ ไปรถไฟก็ได้ไปลงที่อุดรแล้วถ้าไม่รู้ว่าจะเข้าไปยังไงให้ไปคลิกดูคอมพิวเตอร์หนหะลวงพ่อรักเตอร์คอมนะ็โทรศัพท์ไปตามนั้นโทรศัพท์ไปตามมันมีโอรศัพท์โทรศัพนน ท, พทพ์เข้าไปถ้าโอโภพไปคนนี้ไม่ถีลก็มีเบอร์คนอยู่เขาจะรับเรื่อดี๋ยวก็จะแนะวิธี การเดินทางนัดกันเขาก็บรรลับเข้าบอกว่าเพื่อทางจากอุดรี27กิโลจะถนนใหญ่เรือนวิ่งมาจากอุดรน28กิโลเข้าไปได้27กิโลพอได้ไม่ยากที่ต่อแล้วก็ไปได้ จะให้ไปซึมอย่างจริงจังเต็มรูปแบบเอาอย่างเซนิที่ก้นแตกก็เหนื่นั่งทั้งวันเลยเดินนั่งยืนพะอยู่อย่างนี้ตลอดมีอาหารให้กินด้วยมีข้าให้กินเน่ยกินข้าวคนเดียว เต็กลงวันให้กินอาหารว่างตอนบ่ายน้ำปานะหรือเครื่องรองที่เป็นน้ำปานะเออตกน้ำปานะมีพวกที่อยากไปดิให้ติดต่อไปได้เล ย, วยเว็บเที่ยวธรรมานานนานหนึ่งหรือว่ารองอลองพอด็อกเตอร์ค อ, อมอันหนึ่งเปิดดูในเฟส ก็จะเห็นเดี๋วสามารถที่จะเดินทางเลือกเดินทางได้เลยจะไปเครื่องบินก็ได้จะไปรถไฟก็ได้จะไปรถบัวก็ได้เนี่ยพยายามสนใจที่จะปฏิบัติปฏิวัติจริงๆนะไม่ใช่ทําเล่นๆเลยเอาจิงเอาจังโอ้โหมันได้ผลเนี่ยมันได้ผลในเก็ดวันท่านที่พุทธเจ้าว่าเจ็ดวันได้วันรุ่งทำ เกเดือนได้บรรลุธรรมเีรปีได้บรรลุรับถ้าเราทถึงขนาดนั้นไม่ได้บรรลุเราก็ไม่รู้จะคิดจะไงละอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องพูดไปมากเดี๋ยวจะเป็นการโวรหอรู้สึกว่าโน้จะทจะเป็นบาต่อบาเอาตัวให้ตั้งใจปฏิบัติกายมเกียราตูิดเราจะสงบไหมคิดเราจะสบายไหมคิเราจะเย็นไหมจิตเราจะต่อสู้อยู่กับโลกที่รุ่มร้อนดรืยกิเลสสนานี้ได้ไหมนี่แหละ ขอให้แด่ละกุคคลจะมีความสุขความเจริญเอรังคนมีด้วยกับการนั่นจะดี